เวลาใดที่เราไม่ได้เสพ ร, ราบยศสนรเรินไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผทพักเราก็จะมีความไม่สบายใจมีความว้าเหวมีความเศร้าซ้อยง่อยเหงาเพราะว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมนั่นเอง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 แต่ถ้าไม่มีกิเลสตัณหาแล้วความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรคือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นยังเป็นความสุขที่คล่องคองได้หดได้หายได้เพราะตัวที่ทำให้คล่องตัวที่ทำให้หดนั้นยังไม่ได้ถูกกำจัด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 เรียกว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องสามีจิตปฏิปันโนคือเป็นการปฏิบัติสลักษณะคือสุ ป, ปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อดับกิเลสตาาัณหา ปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าได้มีการปฏิบัติสี่ลักษณะนี้แล้วผลคือมรรคสีผลสีนี้พาหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาผลสีนี้ก็เป็นความสุขในระดับต่างๆาสุขจากน้อยไปหามากสุขจากระดับพระโสดาบัน ขึ้นไปสู่ระดับพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็จะเป็นความสุขเต็มที่เต็มเปี่ยมพระอนาคามีก็น้อยลงมาพระสกิดาคามีก็น้อยน้อยลงมาพระโสดาบันก็น้อยลงมาเป็นระดับแรกแต่เป็นระดับที่ไม่เสื่อมแล้ว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 ในระดับของพระ อ, อนาคามีก็จะสูงกว่าพระสกิดาคามีแล้วก็จะไม่ลดไม่น้อยลงไปพอขึ้นถึงระดับพาระาอารหันต์ก็ได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจและไม่มีวายหมดพอได้ระดับของพอาระาอารหันต์แล้วความสุขคือปรมงสุขขังคือความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจ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 ไปเกิดเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขใหม่แต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นความสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมหมดไปพอหมดไปก็ต้องหามาแต่ใหม่ทำอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัน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 ถ้าทำคำสอนอยู่เรื่อยๆอย่างคณะของคุณปุกนี้ก็มีสัจจะอธิษฐานที่จะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันเป็นกิจจลักษณะอยู่อย่างน้อยก็เดินมาหนึ่งครั้งและได้ทำมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้ว นี่ก็เป็นเพราะว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีฉันทะวิริยะคือมีความยินดีมีความพอใจมีความขยันหมั่นเพียรที่จะบากบัน่นมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติตาม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 ชั้นใดความสามารถในการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าของแต่ละท่านนี้ก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติมานี้เริ่มต้นไม่พร้อมกันในแต่ละพบแต่ละชาติในอดีตนี้พวกเราอาจจะได้ศึกษา ได้ปฏิบัติธรรมกันมาอยู่มากบ้างน้อยบ้างพอมาถึงชาตินี้พอพวกเราได้มาพบกับพระธรรมคําสอนที่มากระตุ้นความจำเก่าของพวกเรามาดึงความสนใจเก่าที่พวกเราเคยมีให้ต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมพวกเราก็เริ่ม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 นอกจากว่าไปเรียนวิชาที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอย่างเรานี่ต้องเรียนป .1 ถึง3ครั้งพอครั้งแรกเรียนป .1 เป็นภาษาไทยพอครั้งที่สองเปลี่ยนโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนจีนก็ต้องไปเรียนป .1 ใหม่พอเรียนพอเรียนถึงป .3 เปลี่ยนโรงเรียนอีกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ ไปเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องไปเรียนป .1 ใหมอ่อันนี้แต่เรื่องของธรรมะนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปเรียนใหม่ถ้าเรียนจบป .3 แล้วชาตินี้มาเกิดก็เรียนป .4 ต่อได้ 5, ไป .5 ปอใหไ่ไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ไม่เหมือนกับการเรียนทางโลกชาติตนก่อ น, อ, นอาจจะได้จบปริญญาเอก แต่พอชาตินี้กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นที่ชั้นอนุบาลใหม่ชั้นปอนหนึ่งใหม่แต่เด็กบางคนที่เราเรียกว่าเด็กกัจฉริยะนี่ยเขาเรียนได้เร็วเพราะว่าในอดีตเขาเคยได้อะดับปริญญาเอกแล้วพอเขามาเกิดในชาตินี้พอเขาเรียนหนังสือภายในอายุสิบขวบนี้เขาก็จบปริญญาได้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 แต่ถ้าไม่มีคนสอนนี่อีกเจ็ดกับก็ทำไม่ได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนก่อนพระพุทธเจ้าจึงเป็นอัจฉริยะบุคคลเพราะว่าไม่มีใครสั่งใครสอนพระองค์พระองค์สามารถตัดสรุได้ภายในเวลาหกปีถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาเท่านั้นอย่างพวกเรานี้ถึงแม้มีพระพระุทธเจ้ามาปรากฏแล้วเจ็ดปีผ่านไปแล้วก็ยังไม่สำเร็จก็แสดงว่าค่อนข้างที่จะอับวาสนาอับปัญญาดนั้นต้องรีบสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างสันสร้าง ฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาขึ้นมาฉันทะก็คือความยินดีวาวิริยะก็คือความอุตสาหะภาคเปลี่ยนจิตตาก็คือความแน่วแน่ความตั้งใจที่แน่วแน่วิมังสาก็จิตที่ค่ายควรแต่เรื่องของการปฏิบัติไม่คิดถึงเรื่องแฟนเรื่องเที่ยวเรื่องเล่น คิดแต่เรื่องปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลาถึงจะสามารถที่จะทำงานนี้ให้เสร็จได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนี่คือสิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือเราไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จ เ, วเวลาให้กับการปฏิบัติยังขอเป็นมือสมัครเล่น ยังไม่ยอนเป็นมืออาชีพจะขอปฏิบัติเฉพาะช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดาขอไปทำงานห า, หาเงินหาทองหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายในเมื่อเราเป็นมือสมัครเล่นเราจะไปเปลียตัวเราให้เหมือนมืออาชีพได้อย่างไร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 ถ้าทําอย่างนี้ก็ชาตินี้ก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรผลผนิพพานได้อย่างมากก็สะสมบา ร, รมีไปเผื่อชาติหน้าเวลาเกิดจะได้ไปทําต่อได้แอ่ก็อยู่ในระดับอนุบาลนรืออยู่ในระดับปฐมซึ่งก็จะต้องใช้เวลา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 ต้องเป็นมืออาชีพเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายหญิงก็มีแต่มีน้อยกว่าชายแต่ก็มีเป็นนัก บ, บวชเหมือนกันเพียงแต่ว่าห่หมผ้าสีไม่เหมือนกันนะ่นั้นเอผ้าสีขาวกับมผ้าสีเหลืองอันนี้เป็นเพียงเครื่องแบบเท่านั้นเองแต่ความการปฏิบัตินี้ไม่มีความแตกต่างกัน ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเหมือนกันผลคือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจึงเป็นเหมือนกันเวลาตายไปกระดูกกายเป็นพระธาตุเหมือนกันนี่ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้ว่าต้องเป็นชายหรือเป็นหญิงไม่ได้อยู่ที่สีผ้าที่ผม ว่าจะต้องเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีขาวอันนี้เป็นเพียงเครื่องแบบภายนอกเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปฏิบัติให้ผู้อื่นที่หูหนวกตาบอดจะได้รู้บ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่กำลังแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือบุคคลที่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วถ้าพวกเราอยากจะ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 จีวร อ, อันปาณิจจากพระพุทธเจ้าไม่ขอรับอาหารอันปาณิจจากพระพุทธเจ้าไม่ขอรับลาบสกาลอันปาณิของจากพระพุทธเจ้าไม่ขอที่อยู่อันปาณิจากพระพุทธเจ้าถึงแม้พระพุทธเจ้าจะให้ก็ไม่ขอรับแต่ขอให้พระเจ้าแสดงธรรมให้แก่พระ อ, อ น, นุลณ์แล้วถ้าเวลามี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 ของพระนนต์ต่อพระพุทธเจ้าจึงทําให้พระนนต์ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพไปเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปปริกวิเวกไปปฏิบัติธรรมตามลําพังเหมือนกับพระที่ไม่ต้องมาปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้าพระที่ไม่ได้ปฏิบัติดูแลพระพุทธเจ้านี้พอเสร็จภา ร, รกิจจากการบินถบาทก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาได้ไปตลอด เพไม่มีหน้าที่อะไรต้องทำแต่พระ อ, อ น, อนุนี้ต้องคอยอยู่ใกล้ iseen, คอยดูแลรับใช้พระพุทธเจ้ายันไม่มีเวลาที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิมากเท่าที่ควรช่วงนั้นพระอานุน์จึงเป็นเหมือนกับ Whoa. นักปฏิบัติมือสมัครเล่นท่านจึงไม่สามารถบรรลุทำขั้นสูงได้เข้าใจว่าท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้จนวลาที่พระพุทธเจ้าได้ตรเดชผลิณิพานไปแล้วก่อนจ ะ, จะก่อนที่จะผลิณิพานพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดบอกฝ่าพระอานน์นว่าอ น, อนนท์เธออย่าเสียใจเพราะเราจเพราะเราจะจากเธอไปเพราะว่าเธอจะได้มีโ อ, อกาส บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ภายในเวลาสามเดือนหลังจากที่เราจากเทงไปแล้วนี่คือเป็นคำพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงพยากรณ์ให้กับพระอนนท์และพอถึงเวลาครบสามเดือนพระอนนท์ก็ได้บรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเพราะช่วงสามเดือนนั้นพระอนนท์ได้กลายเป็นนักปฏิบัติเบื่อชีพไป ไม่มีธาระกิจไม่มีรภารกิจอย่างอื่นมาขัดเวลาของการปฏิบัติมีเวลาปฏิบัติตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถไปวิเวกไปอยู่คนเดียวได้ไม่มีเรื่องเีราวอะไรต่างๆมาคอยฉุดกจิตใจให้ไปทำให้ไปคิด ใจคิดอยู่กับเรื่องตายรักษอนิจจ์ทุกขังอนัตตาคิดอยู่กับอสุภะคิดอยู่กับอาหาเรเลยปฏิกูลัสัญญาคิดอยู่กับเรื่องธาตุสีดินน้ำลมไฟพอใจคิดอยู่กับเรื่องราวาเหล่านี้กิเลสตัณหาต่างๆก็ถูกทำลายไปหมดภายในระยะเวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นเองนี่คือความแตกต่าง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 ถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าก็คงจะบรรลุในนรกแน่แต่บารมีของพระพุทธเจ้าสามารถช่วยองคุลิมารให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เห็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องขององคุลิมารได้ทําให้องคุลิมารกลับใจ ย, ยุติการเข็นฆ่าผู้อื่นแล้วกลับมาบําเพ็ญ สมถะวิปัตนาภาวนาจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาหลุดจากการที่จะต้องไปตกนรกอเวจีถึงแม้ว่าจะได้ฆ่าคนมาแล้วถึง999คนก็ตามแต่การที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ทำให้ยยุติการไปเกิดได้ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาหรือเกิด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 นี่คือเรื่องของการปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีผู้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงเป็นผู้บอกทางถ้าไปเจอผู้ที่ไม่รู้จริง <c oughs> เห็นจริงบอกทางกาง็เหมือนกับไปเจ อ, อคนตาบอดบอกคนตาบอดบอกทางคนตาบอดคนตาบอดก็ไม่รู้จริงคนตาบอดที่มาเรียนก็ไม่รู้จริงเขาว่ายังไงก็เชื่อตามที่เขาว่า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 ถ้าแม่เข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงผู้รู้จริงก็คือผู้ที่สอนมรรคที่มีองค์ศาอุธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าคําสอนของใครก็ตามถ้ามีมรรคเป็นองคศานี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องถ้าคําสอนของใครไม่มีมรรคที่มีองคศานี้ก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ มรดกมีทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสัมมัติสติสัมมาสังโปะสมมัิสิสัมมาสังกปะนี้เรียกว่าปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมาธิสัมมาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจานี้เรียกว่าศีล สรุปแล้วคำสอนต้องมีทั้งสามส่วนประกอบกันคือมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิแล้วมีทั้งปัญญาขาดองใดองหนึ่งไปไม่ได้จะทำให้ไม่สำเร็จผลขึ้นมาเหมือนกับทำกับข้าวแล้วไม่ใส่น้ำปลาอาหารจะวิเศษยังไงพอไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลาก็กินไม่ลงจืดชืดมันต้องมีครบทุกอย่าง ถึงจะเป็นอาหารที่โอชะที่น่ารับประทานขึ้นมาฉันใดคําสอนของใครก็ตามถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ถูกต้องคําสอนของใครสอนให้ข้าผู้อื่นเพื่อจะได้ไปพบกับพระเจ้านี้ก็เป็นคําสอนที่ผิดผู้ที่จะเข้าหาพระเจ้าได้ผู้ที่จะหาผู้ที่เข้าหาผู้ประเสริฐได้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 ในอดีตก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระสาวกที่ได้มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นแหล่งที่ถือว่าเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่มีพระอหรหันต์พระอาาริยเจ้าที่มีชีวิตมาสาั่งมาสอนเราก็ต้องเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎก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 ไม่รู้ว่าอาหารอันไหนจะเหมาะกับวัยของเราเวลาที่เราเริ่มศึกษาใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าควรจะศึกษาธรรมะบวใจเพราะในพระไตปิโดกนี้ก็มีธรรมะเป็นถึงแปดหมื่นสี่พันพุทธรรมขันด้วยกันพอเราอ่านปั๊บเราก็งงเลยไนมะ่รู้ไหมจะเอาตรงไหนดีเพราะอา่านชองเห็นขันเห็นแปดหมืนสี่พันพุทธรรมขันก็เลยยอมแพ้ สู้ไม่ไหวไม่รู้ว่าจะไปอ่านตรงไหนดีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีที่อ่านแล้วจะทําให้เกิดความเจริญขึ้นมาในทางจิตใจก็เลยท้อแท้ก็เลยไม่ค่อยเข้าหาป้าใจไปด ก, กันไม่ค่อยศึกษากันนอกจากผู้ที่มีความวิริยะขวนขวายมากมาผู้ที่มีความสนใจต่อการศึกษามากๆากเท่นั้นที่จะสามารถ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 ทั้งๆที่ท่านจากเราไปแล้วแต่ตัวของท่านไม่ใช่เป็นตัวที่ตัวสาระสำคัญของท่านตัวสาระสาคัญของท่านอยู่ที่คำสอนของท่านอย่างนั้นถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปแล้วแต่เสียงของท่านคําสอนของท่านยังอยู่ภาพที่ท่านกำลังแสดงคาสอนก็ยังอยู่ก็เหมือนกับว่าเราได้อยู่กับท่าน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 เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราคิดไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายปราศ จ, จากอารมณ์ต่างๆเราบอกเขาเข้าเลยเข้าใจเขาก็เขาเก็เลยเลิกปิดปากกลับมาปิดความคิดแทนด้วยการมาเจริญสติบรรยการพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับจิตใจเขาก็ว่างจากความคิดได้ จ, จิตใจก็มีความสงบมีความสุขได้ไม่งั้นเขาบอกว่าความคิดเขาที่สับสนมากคิดไปแต่ละเรื่องก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็เลยคิดว่าต้องปิดปากไม่ไม่พูดเพราะคิดว่าการพูดนี้เป็นเป็นก เ, เป็นตัวที่ทำให้คิดซึ่งความจริงตัวคิดต่างกที่ทำให้พูดไม่ใช่ตัวพูดที่ทำให้คิดถ้าไม่คิดเรามันจะพูดได้อย่างไง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 เหมือนซากศศนี่ไม่ทำอะไรเลยไม่ยอมเคลื่อนไปไหนลยต้องให้คนอื่นจับส่โลงต้องให้คนอื่นจับเข้าเตาเผาไปเพราะจะเพราะร่างกายไม่มีใจเป็นผู้สั่งการแล้วนั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องของการที่มีครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่เวลาเราติดขัดตรงไห น, นเวลาเข้าใจเข้าใจผิดที่ตรงไห น, น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 กับการที่ไม่มีครูบาอาจารย์แต่ถ้าอยู่ในระดับมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์ก็ถูถ่ายไปได้เออถ้าเริ่มต้นตั้งแต่พระโสดาบันไปแล้วนี้เป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของพันนิพพานแล้วคําว่าโสดานี้มาจากคําว่าโสดะแปลว่ากระแสกระแสสู่พันนิพพานผู้ใดได้เข้าสู่กระแสแล้วก็จะไปถึงพันนิพพานได้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 อย่างแน่นอนฉันใด้การปฏิบัติก็เป็นแบบนี้ถ้าเราได้เข้าสู่กระแสแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ก็ได้สำหรับครูบาอาจารย์ท่านตายไปก่อนตอนที่เราจะบรรลุเป็นพระอาหารหันเราได้แค่ขั้นโสดาบันเราก็ปฏิบัติไปได้เพราะเรารู้แนวทางแล้วมันจะมีป้ายบอกเราตบเวลาป้ายที่จะบอกเราก็คืออริยรรสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมาก ถ้าปฏิบัติไปไปเจอทุกข์ที่ตรงไหนก็รู้เลยว่ า, าตรงนี้มีกิเลสมีตัณหาต้องทํำลายมันถ้าไม่ทําลายมันก็ไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีป้ายบอกทุกทุกประดับขั้นสกิดาคามีก็มีอริยสัจสี่คอยบอกขั้นอนาคามีก็มีอริยอริยสัจสี่คอยบอกขั้นอรหาาันต์ก็มีอริ ย, รยสัจสี่คอยบอก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 อย่างที่พ่อหลองตาบอกว่าอวิชานี่ตอนต้นก็คิดว่ามันเป็นเสือพอเจอมันจริงๆมันเป็นเหมือนนางบางเงานางโสพณิโสเพณีนางบางเงายืนเศร้าอยู่ยืนหยุดตามถนนตอนในที่มืดมืดเขาเรียกว่านางบางเงาคิดว่ามันเป็นเสือจะกัดพอไปเห็นมันเข้าโอ้ยมันเป็นสวยงามอย่างนี้แทนที่จะไปฆ่ามันจะฆ่าไม่ลง แสงสว่างที่หนูตาได้พบก็เนี่ยคือนางบางเราที่ว่าจะเป็นเสือหน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวเป็นปีศาจยักษปีนมาอาวิชาที่ไหนได้เป็นแสงสว่างที่ที่แบบว่ามหัศจรรย์แทนที่จะไปทําลายมันกลับไปรักไปหวงมันไปครอบครองไปเป็นทาสไปเป็นคนปกป้องรักษามันนะครั ปัญาและอริยสัจสี่มันก็จะบอกว่าอันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปรักษามันไปปกม้องมันก็แสดงว่าเรายังเรายังมีตัณหามีกิเลสอยู่ยังมีความรักยังมีความอยากในตัวมันอยู่มันก็จะย้อนทลิกกลับมาแล้วมันก็จะรู้ทันกันแล้วมันก็จะทําลายมันได้แทนที่จะรักษามันก็ฆ่ามันเลย นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีคือครูบาอาจารย์ถ้ายังไม่เข้าสู่กระแสต้องมีถ้าเข้าสู่กระแสแล้วมีหรือไม่มีก็ได้มีก็เร็วถ้าไม่มีก็ชา้าอย่างพระอา น, น์นี่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสวสดาบันแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสามเดือนก็ไปถึงเป็นพระอาลั์ได้ แต่ต้องเป็นพระโสดาบันถ้าไม่เป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีพระอาหารหันต์มาสอนนี้ยากยากที่จะเข้าสู่กระแสะได้อืจะได้ก็แค่ขั้นชานที่เป็นแค่ขั้นง่ายการเข้าชานี่ง่ายมากขอให้มีสติอย่างต่อเนื่องแค่ น, นั้นเองขอให้มีพุทโธอย่างต่อเนื่องนี้ก็เข้าไปได้แล้แต่เรื่องของปัญญาของมรรคผลนิพพานแต่ละขั้นนี้มันมีความ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 นี่แหะคือการปฏิบัติและการศึกษาเป็นของที่ไปด้วยกันเพราะว่ามันต้องเปิดคู่มืออยู่เรื่อย เ, อยเวลาเวลาปฏิบัติเวลาเจอปัญหาก็ต้องหาคู่มือมาเปิดดู ว, ว่าตรงนี้จะทำยังไงในทางทางปฏิบัติแล้วท่านจะท่านจะมีปริญญากับปฏิบัติไปพร้อมๆกันส่วนในทางปริญญานนี่เขาจะแยก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 ต้องออกไปหาใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นพอถึงเวลาที่ไม่มีความสามารถที่จะเติมได้ก็เป็นเหมือนคนอดอยากขาดแคลนคนที่แก่คนเจ็บใน ห, หาความสุขทางร่างกายไม่ได้ก็จะมีแต่จิตใจที่บอบช้าจิตใจที่หิวจิตใจที่หงดหงิดลาคาญทุกทรมานใจเพราะไม่สามารถเติมความสุข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 ไม่ทราบว่าหากำเจอหรือยังได้หรือยังหรือไม่ได้หากันมาฟังเสร็จแล้วพอกลับไปบ้านก็เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่โยนทิ้งถังขยะไปแล้วเดือนหน้าค่อยมาฟังใหม่ถ้าฟังแบบนี้อีกยี่สิบปีสามสิบปีก็เหมือนเดิมจะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้ดังนั้นขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังแล้วนําเอาไปปฏิบัติ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 อิต um ิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิชาตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโูปนาระโสยทามณิโชติรสโยทาสพีิติโยวิวัจจานตุสัพโรโววินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายยโภพวะ อาิว า, านาศสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตรารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางเอาต่อไปนี้มีญาติโยมที่อยากจะถามปัญหา ก็จะให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ที่ฟังจะได้ยินเสียงคำถามไปด้วยใครต้องการถามก็ขอกรุณาผ่านพูดผ่านทางไมโครโฟนอ่ขอเชิญได้ลองเปิดก่อนครัมพี่ที่ท่านพี่อาจารย์เทศเกี่ยวกับเรื่องอบอกว่าตั้งแต่โุดาบานันเป็นต้นไปนะฮะ ก็มีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆตแต่ละขั้นเนี่ยนะฮะเหมือนขึ้นทางด่วนเราไปก็จะเห็นป้ายบอกทางทีนี้ลูกไมยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคือพิธีกโสดาบันเนี่ยค่ะอยากเห็นป้ายบอกทางว่าไปไ ป, ไ ป, ไปยังไงถึงจะถึงโสดาบันแล้วก็ต้องหาเงินซื้อค่าบัตรผ่านทางด่วน <laughs> <laughs> บัตรผ่านทางด่วนก็คือต้องทําทานต้องสละให้หมด <laughs> มีข้าวมีของอะไรต้องสละให้หมดมีสามีมีลูกมีอะไรต้องสละให้หมดต้องไปบวชนะถึงต้องถึงจะได้ไปขึ้นทางด่วนได้เก็สังเกตดูคนที่เขาขึ้นทางด่วนส่วนใหญ่เขาก็เป็นนักบวชกันทั้งนั้นอเข้าใจยังทานก็ไม่ยอมทานศีลทับก็ไม่ยอมทําศีลก็ไม่ยอมรักษา แต่อยากจะขึ้นทางด่วนก็ต้องเดินขึ้นเหรอค่ะคือจะมีปัญหาในส่วนหนึ่งคือเวลาที่สนใจจะเข้ามาทางปฏิบัติทําจริงจังนะคะแต่ว่าบางทีครอบครัวจะไม่เข้าใจ เขาอาจจะขัดเขาจะสามารถขัดขวางพยายามไม่ให้เรามาทางนี้การที่เราจะทําใจไม่ให้รู้สึกต่อต้านเขาควรจะทําใจรับกับมันยังไงคะเออ่อคิดว่ามันเหมือนกันทุกคนนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมานี่ไม่มีใครเขาเออคิดเหมือนเราหรอกทางเรานี่มันเป็นทางที่ไม่มีคนทั่วไปเขาคิดกัน เ, ออเขาไม่รู้คุณค่าของทางเขากลัวเขาไม่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 คือโยมปฏนแบบตอนนี้ก็คือพี่นาทศกับไตรลักษณ์นะคะท่านนีออ้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ขยายความว่าถ้าพระโสดาบันพระสกัดคามีพระนาคามีค่ะพิจารณาอะไรคะเจ้าคะคือพระโสดาบันนี้ท่านจะพิจารณาเรื่องความความเจ็บความตายของร่างกายเป็นหลักคือทั้งพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ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 ให้เรามีความรู้สึกแบบเดียวกับที่เรามีความรู้สึกกับรถยนต์เพราะมันไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ว่าร่างกายมันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดินน้ําเป็นเอาการสามสิบสองส่วนรถยนต์มันเป็นเหล็กเป็นกระจกเป็นพลาสติกเป็นสายไฟแต่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันเราเป็นคนขับเหมือนกันร่างกายนี้เราก็เป็นคนขับมันรถยนต์เราก็เป็นคนขับมัน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 ก็เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องศีลับพะระตปลามาสคือทํากิจนอกศาสนากิจของศาสนานี้พอแล้วรักษาศีลทำทานภาวนาไปนีพอแล้วพอเพียงต่อการรักษาจิตใจของเราให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจนี่ก็เป็นเรื่องของพระโสดาบันละศัลกายาทิฏฐิละศีลลับพะระตาปลามาสละความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะ ได้ใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามากำจัดความทุกข์เห็นอริย ส, รรสัจสีเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมักปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ไม่สงสัยว่าคนสอนมีจริงหรือไม่มีจริงแล้วไม่สงสัยว่าพระอริยสงฆ์เป็นได้หรือเป็นไม่ได้มีจริงหรือไม่ก็เพราะตัวเราได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาแล้ว นี่คือเรื่องของสีเรื่องของสังโยชน์สข้อแรกที่พระพระโสดาบันกําจัดได้ละได้ขั้นของพระสกิทาคามีกับพระพานามีคานาคารมีก็มีสังโยน อ, อยู่อีกสองข้อคือการมราคากับปฏิคากการมาราคาก็คือความความความยินดีในการอารมณ์ปฏิคาก็คือความหมวดหิดใจ ที่เกิดจากเวลามีการมารมแล้วไม่ได้ไม่สามารถเสพการมารมได้ก็เกิดปฏิฆาขึ้นมาวิธีที่จะกำจัดปฏิฆากับการมาราคาก็ให้กนจัดด้วยอสุภะเวลาเกิดการมารมก็นึกถึงส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมของร่างกายของคนที่เรามีการมารมด้วยมันก็จะดับการมารมได้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 มันจะพึบขึ้นมาทันทีเห็นไขรก็เห็นพึบเข้าไปมันตาเอ็กซ์เลยแล้วความสวยความงามมันที่ที่ใช้ผิวหนังเป็นที่ตั้งมันจะมันจะทนสู้กับความจริงของอสุภะได้อย่างไรการอารมณ์ไม่มีวันเกิดถ้าถ้ามีอสุภะอยู่ในใจเห็นอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นขั้นของพระ อ, อานาคามี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 ได้ยินกระสับแต่ว่าได้ยินไม่ให้มีสัญญาสังขารก็ไปยุ่งด้วยอย่าไปว่าเขาด่าเราก็าชมเราถ้าไปปรุงแต่งว่าเขาว่าเราชมเราก็จะเกิดความลักความช่างขึ้นมาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสติปัญญาท่านมันก็จะเฉยใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยพราะถามว่ามันดา่าใครมันชมใครบรรด่าผมหรือขนแรล็บหรื อ, รอัน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 ที่บอกต่อมที่ท่านที่หลวงตาอ่าที่ไหนที่มีจุดมีต่อมอ่าใช่ฮะคือตัวพบตัวชาที่อาจารย์อธิบายว่าที่แสงสว่างนี่ไงที่ว่าเป็นนงางบังเงาวิชาเป็นนางบางเงาพอเจอมาเล่าแหม่มันแสงจะอจจัศจรรย์สว่างสวัยแทนที่จะฆ่ามันปล่อยมันให้มันเสื่อหมวดไปกับพยายามไปรักษามันการนมัสการพระอาจารย์เดี๋ยวก เอาหมดเสร็จดเสร็จถ้าไม่ถ้าไม่พูดไม่หมดสิบพูดเลยเนี่ยประธ า, านนะประธานเนี่ยประกาศเดียวอ่าพูดมาอยากจะพูดต้องพูดผ่านไม่พูดใกล้ใกล้ด้วยพูดใกล้ๆด้วย <c oughs> ปล่อดไม่เปอยไมท่ที่พี่ทานอาจารย์บอกคือต้องผ่านขั้นอานาคามีเรือ่องจะเจอนางบางเงาปะคะใช่ใช ก่อก่อนหน้านี้จะไม่เจอใช่ไหมคะไม่เจอเจอก็มองก็เป็นรู้มันเพราะว่ามันจิตเราสติปัญญาเรามืดบอดไงเราไม่ได้มองเข้าไปข้างในเรามองแต่ข้างนอกนมองนางบางเงาจริงๆอขาบรดไปหาตามข้างถนนจริงๆเคยไปแล้วปล่าเคยไปหาเมื่อก่อนแต่ปวดท้องเย พัทยาก็เยอะแยะหนึ่งคบเจ้าค่านรัสการจุฬาพระอาจารย์จริงเราแล้วจะถามแค่โสดาบันมาเงินพระอาจารย์ตอบถึงอรหันไปแล้วทั้งนี้พวกเรามันก็เจาะจ่อโสดาบันกันอยู่เจ็ดปีแล้วค่ะ คราวนี้ข้อสงสัยข้อหนึ่งจริงข้อหนึ่งข้อสอ ง, อ, ส อ, งอย่างศิลปะอย่างพวกศิลปพจน์เราก็คงไม่ไปแล้วเดราชานวิชาพวกเราก็ไม่ไปแล้วเรื่องสงสัยกรรมเรื่องสงสัยบาปกรรมเรื่องพวกนี้เราก็คงไม่มีหรือข้อเดียวที่เ อ, อกายะตัวตนเนี่ยเจ้าค่ะให้เห็นว่าสักยะทิฏฐิที่ให้เห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราเราก็เห็นจริงเราก็เห็นแต่ก็ตอนนี้มันถึงขั้นทดสอบว่าอาจารย์บอกถ้าเป็นมะเร็งแล้วจะเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอันอื่นมันจะค่าสมมุติว่าแล้วทำไงเราจะรู้เราบรรลุแล้วอย่างนี้นเจ้าค่ะคือที่เราทําใจไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่เป็นอุเบกขาเรายังไม่มีสมาธิเราจึงต้องฝึกสมาธิก่อน ใ, ให้จิตรวมเป็นอัปปนาก่อนให้เข้าสู่ฌานสี่สักแต่ว่ารูุหรือแต่อุเบกขาแล้วพอเรามีตัวนี้แล้วเวลาจะมีเรื่องปัญหาอะไรเข้ามาเราก็จะดึงจิตเข้ามาตรงจุดนี้ได้คือปล่อยวาง เหมายความว่าพระอาจารย์พูดว่าเราจะต้องได้ฌานสี่คือต้องฝึกฝึกฌานสี่ให้มันชำนาญสมมติเกิดอะรขึ้นก้าขับรถเก็เหมือนการหาเกียวว่างให้เจอค่ะตอนนี้เราหาเกียวว่างไม่เจอหมายที่ซ่อนเหรอพระอาจารย์สมมติมีอะไรขึ้นมาพึ่บก็ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ไม่ต้องเข้าไปไงเปทําใจให้เฉยมันก็มันก็ไม่วุ่นวายแล้วหมอบอกว่ามาเลงก็มาเลงก็จบไม่ออกมาปรุงแต่งคือที่ที่ที่ที่หลบซ่อนพี่เกียวว่างเขาเกียวว่าอุเบกขาใช่ไหมเจ้าคะ แล้ต้องเป็นชานสีเลยเหรอเจ้าคะอ่ามันจึจะเป็นโอเบคขาคุณไม่อ่านจริงจริงก็สิชานหนึ่งมันไม่มีโอเบกขาชานสองไม่มี ช, ชานสาไม่มีต้องชานสี่ชานที่สี่แล้วมันยากไหมเจ้าคะชานสี่กมีพุโทโธไปก็มีจิตมีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปตลอดเวล า, ามันจะเทงโอเบคขา เพราะฉะนี่ลงหายใจก็ได้ใช่มใช่ไหมลมหายใจก็ได้ทารบริกรรมก็ได้เจ้าค่ะหรือเวลาพิจารณาทุกขเวทนาแล้วจิตปล่อยเวทนาได้มันก็เข้าฌานที่ได้อ๋อเจ้าค่ะถ้าเราได้ตรงนั้นเราถึงจะแน่ใจว่าชัวแน่ใจว่าเราทําใจได้ใช้เวลานั่งพิจารณาทุกขเวทนาเจ็บแสนเจ็บไงแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งจิตปล่อยวางไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไป เจ็บสักแต่ว่ารู้เฉยๆนั่นก็เป็นฌานสี่ตอนเป็นที่ต่อต่อไปเวลาร่างกายเจ็บจะตายมันก็รู้ว่าวิธีทําใจทําเไรก็คือรู้สักแต่ว่าเจ็บแต่ว่าไม่ใช่เราเจ็บใช่ไหมจ๊ะคะมันมันจะเฉยๆจ้าค่ะเฉยป่อยวาเจ้าค่ะกาขอบคุณเจ้าค่ะนั้นต้องพยายามฝึกสติให้มากเพราะสติจะเป็นตัวที่จะดึงจิตให้เข้าสู่อุเบกขาได้เจ้าค่ะแปลว่าสติของพยานคือหมายถึงถึงสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะ กต้องมสิถึงจะได้สมใช่ค่ะคือต้องเป็นขั้นสมาธิชั้นสี่เจ้าค่ะต้องปิดวิเวกต้องอยู่คนเดียวเจ้าค่ะถึงจะรักษาสติได้อย่างต่อเนื่องาถ้าไปอยู่กับคนอื่นทำภารกิจต่างๆเดี๋ยวก็เผลอเจ้าค่ะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะก็ลืมลืมมตั้งสติจิตก็ไหลไปตามอารมณ์ไปตามเหตุการณ์เวลามานั่งสมาธิมันก็ไหลไม่นิ่ง เพราะมันยังอดทย่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เสียเวลายต้องไปติดไม้เวกต้องไปบวชเนี่ยเปลี่ยนฟองวิธีเคลื่อนทางด่วนไงอาจารย์นะคะคือก็สูมเนื่องจากที่อธิบายเรื่องเรื่องจิตอะค่ะเวลามันอยู่ในสภาวะที่เจ็บปวดและกลัวจนถึงขีดสุดอะค่ะ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 พิจารณาเห็นว่าความทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความเจ็บหายไปความเจ็บเองนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์แต่ความอยากให้ความเจ็บนีหายไปเป็นความทุกข์เราต้องหยุดความอยากเพื่อปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องกลัวความเจ็บเหมือนกับไม่ต้องกลัวเสือใจดีสู้เสือนั่งมันจะมากัดก็ปล่อยมันกัดไปแล้ว่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป ถ้าใจเราเฉยเป็นอุเบกขาต่อไปเราก็จะไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องอะไรเพราะใจเราไม่ทุกแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บขนาดไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับความเจ็บขอบคุณค่ะ ครับพระอาจารย์เจ้าขาแบบเนี้เราต้องฝึกจนชํานาญใช่ไหมเจ้าขาไอเชียู่บอกก็จะไปทําให้มันขันขวานพ้นโดยไม่ฝึกนี่คงเป็นการไม่ได้ก็ต้องซ้อมจนชํานาญนักมวยก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีก็ต้องอชํานาญแล้วก็ถึงค่อยขึ้นไปไม่ใช่ขึ้นไปแล้วค่อยมาคิดว่าจะทํำยังไงดีขณะที่คิดกระโดครับเจ้าขาโดนน็อกครับเจ้าขนวัสนกาครับถ้าเราสมมติชาตินี้ฝึกได้จนชํานาญแต่ยังไม่ได้มารีผลเนี่ยตอนจิตสุดท้ายเนี่ย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 อยไปเวลาไปตีก็ล์ฟไปเที่ยวไปดูหนังไม่ว่าเป็นเสียเวลาเวลาไปติดสวรรค์ชั้นฟมหาว่าเสียเวลาก็เรียบรีบมาภาวนาสิรีบมาปฏิบัติออาจารย์เจ้าคะพ้ที่พระอาจารย์บอกว่าจิตสุดท้ายถ้ากําหนดไม่อยากทุกข์ไม่อยากเจ็บได้ในจิตสุดท้ายคือเหมือนกับสภาวะเฉยๆนี่จิตจะไปไหนคะ ก็เป็นท่านิพพานก็ได้หรือเปล่าแล้วแต่แล้วแต่แะแตระดับจิตว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าขั้นระดับโสดามันก็จะอยู่กับของระดับโสดาอาขั้นนั้นก็ขั้นไหนก็คั้นนั้นไป อ, อยากจะถามว่าอยากจะถามก็าอาม <laughs> เอาไมมา อ่าหมดแนละ้วอ้าวทางบ้านบ้างตอนนี้อ้าวทางบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใครคิดถึงคําถามได้ใกล้าถามใหม่พระอาจารย์ครับก่อนทางบ้านขอของผมก่อนครับคือช่วงก่อนเนี้ยครับเรื่องสี่ห้าครับที่พระอาจารย์แก้ให้ว่าผมติดข้ออ่ามุสามาตลอดซึ่งเข้าใจว่าเป็นข้อเพลชเจอครับพระอาจารย์แบอบกว่าถ้าในระดับเบื้องต้นเนี่ย ถ้าไม่ได้โกหกเนี่ยถือว่าไม่ผิดศีลดังนั้นก็เลยศีลเคลียรแต่พอศีลฮะศีลข้อนั้นเคลียรเนี่ยเป็นข้ออื่นเข้าแทรกแทนเลยครับอาจารย์เพราะอะไร네ครับ<พ>อาจารย์ก็เพราะว่ามันพอปิดประตูนี้มันก็หาประตูแล้ว <laughs> แล้วมันก็มาแรงด้วยครับอาจารย์ก็เลยแบบ <c oughs> ต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและ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 คืออุบายของการบำเพ็ญเพียนนี้มันก็มีหลายหลายแบบหลายรูปแล้วแต่จริตนิสัยบางท่านก็ถูกกับการอดนอนบางท่านก็ถูกกับการ อ, าอดอาหารบางท่านก็ถูกกับการไปอยู่ตามป่าช้าอันนี้ต้องดูจริตของตนว่าอันไหนถูกกับจริตทำแล้วได้ผลดี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 ก่อนจะเดินได้ก็ต้องยืนให้ได้ก่อนฉันใดการปฏิบัติก่อนที่จะไปสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนก่อนจะมีสติได้ก็ต้องปีกวิเวก่อนคำถามข้อต่อไปจากคุณเบิร์นะครับ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 ดังนั้นเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบแล้วอย่าพึ่งไปเพ จ, จานาให้นิ่งอยู่ น, น, นั้นสักแต่ว่ารู้ไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาเองพอจิตถอนออกมาเริ่มมีความคิดปรุงแต่งเอาความคิดปรุงแต่งนั้นมาคิดทางปัญญาทันทีอย่าปล่อยให้คิดไปในทางโลกทางกิเลสตัณหาคิดทางตายรักเพื่อที่จะละกิเลสตัณหาถ้าเห็นตายรักแล้วตัณหามันจะอด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 นี่คือเรื่องของส่วนเรื่องที่ว่าจะต้องอุทิตด้วยบุญที่เกิดจากสมาธินี้ไม่ใช่เพราะบุญที่เกิดจากสมาธินี้อุทิตให้ใครไม่ได้ของใครของมันอุทิตได้แต่บุญที่เกิดจากการทำทานและผู้ที่จะรับบุญนี้ได้ก็ต้องเป็นเปรตเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเป็นผู้ที่มีความหิวโหยเพราะว่าขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยทาบุญไม่เคยทาทานจึงไม่มีบุญติดตัวไป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 ส่บาตรทุกวันส่บาตรส่ก้าอุทิศไปให้กับเขาจนกว่าเขาจะหมดสภาพจากการเป็นขอทานเขาก็จะไปสู่ภพอื่นต่อไปออยังมีขอใหม่หน่อยขอใหม่หน่อยคำถามสุดท้ายท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าขาขอเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าขาว่าเวลานั่งสมาธินะคะมีวิตกวิจารปิติสุข เอกคตาเมื่อเอกคตาแล้วเนี่ยจะไม่เจ็บปวดจะไม่เมื่อยไม่มีอะไรมีความรู้สึกเป็นหนึ่งแล้วมันก็จิตมันก็ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะเจ็บจะปวดอย่างเงี้ยแบบนี้เป็นอุเบกขาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแล้ ว, ว, แ, ลวแล้วคือปล่อยวางความเจ็บปวดได้แล้วเนี่ยก็คือใ ช, ใช้ใช้อุเบกขาเนี่ย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 เอาล่ะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท <ak> ่าน้สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอเป็นคนที่ต่อไม่ได้มาฟังเลยนะครับ